ความรักชาตินี้จบไม่สวยอย่างไรชาติหน้าก็ต้องเจออีกแต่ก่อนเจอกันใหม่เราอัพเกรดจิตและกรรมตัวเองให้กลายเป็นขั้วสว่างถอนเวรได้ในอารมณ์รักใจอยากนัดเจอกันชาติหน้าในอารมณ์ชังใจอยากสิ้นสุดแค่ชาตินี้แท้จริงแม่เหล็กดึงดูดให้พบกันอีกหาใช่ความอยากหรือไม่อยากพบ แต่เป็นบุญที่ทำต่อกันจนสน ร, รักรวมทั้งบาปที่ทำใส่กันจนสุดชังกลายเป็นสายใยและภัยเวรต่อกันที่ไม่อาจตัดให้ขาดเพียงด้วยอารมณ์อยากแค่ตื่นตื่นพลังอธิษฐานขอไม่เจอกันอีกของคู่รักส่วนใหญ่อ่อนแอแพ้พลังผูกมัดอันเกิดจากแรงแค้นเข้มข้นที่ช่วยกันก่อถ้าชาตินี้เดี๋ยวนี้ ยังคงคุนข้องคาใจจะกรวดน้ำคว่มขันหรือบอกเทวดาว่าจะไม่ขอเจอยอให้ดังลั่นฟ้าแค่ไหนอย่างไรก็ต้องเจออีกอยู่วันยังค่ำรสสายใหญ่มันยังอยู่ชัดๆยังไงก็ต้องเจอกันอีกแต่ก่อนเจอเราอัพเกรดจิตอัพเกรดกรรมตัวเองได้เพื่อที่เมื่อไปเจอกันอีกเราจะกลายเป็นครัวแห่งความสว่างถอนเวรถอนภัยออกเสีย เวลาเหมาะสมที่คู่แท้จะพบกันคือเวลาที่พบกันแล้วมีความพร้อมจะอยู่ร่วมกันตลอดไปมีอยู่จริงๆที่เป็นคู่บุญติดตามกันมาหลายภพหลายชาติแต่ดันไปเป็นของคนอื่นเสียก่อนคนมีเจ้าของไม่ใช่คนที่ใช่แน่ๆเพราะคนที่ใช่จะมาเจอกันในเวลาที่คุณไม่มีสิทธิ์ได้อย่างไรขอให้จาไว้เถอะ ต่อให้ครองคู่กันมาเป็นล้านชาติก็หาได้ทำให้ชาตินี้ใช่เหมือนชาติอื่นๆไม่ในเมื่อพลัดไปมีเจ้าของเสียก่อนแล้วเคยทำบุญร่วมกันมาก็เรื่องหนึ่งลักษณะกระแสจิตคล้ายกันก็เรื่องหนึ่งเจอกันแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เรื่องหนึ่งมีโอกาสใช้เวลาในชีวิตด้วยกันนานช้าแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่ง คู่เทียมเจอเมื่อไหร่ก็ได้แต่คู่แท้ต้องเจอในจังหวะที่พร้อมจะรักกันจริงเท่านั้นพบกันแล้วมีความพร้อมจะอยู่ร่วมกันตลอดไปคนที่ใช่คือคนที่ใกล้กันแล้วมีแต่ความรู้สึกดีๆพร้อมจะทำเรื่องดีๆร่วมกันกับเราพร้อมจะศรัทธาทางเดียวกันมีน้ำใจให้กันมีใจเดียวต่อกันและคุยกันได้ทุกเรื่อง ขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้กิจกรรมที่ร่วมกันละเมิดสิทธิผู้อื่นถือเป็นการร่วมกันทำผิดย่อมไม่อาจนับเป็นการทำอะไรดีๆร่วมกันได้รักแท้มีจริงถ้าเราทำตัวใช่รู้วิธีหาคนที่ใช่และเต็มใจจะรักษาความใช่ไว้ให้ได้ตลอดรอดฟังทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ใช่ฝ่ายเดียว